ในมุขคุณสูตรท่านกล่าวไว้พวกเราฟังจนจินใจสวนสาธยายจนชินปากก็คืออเซวนาจะบาลานังปันตานันจะเสวนาแปลความก็ว่า การมาคบคนพาลทันดานอยา่างกการครบบัณฑิตนี่ผู้ผู้ชอบด้วยกายวาจาใจเอตัมมังคมามุตตังมังท่านว่าเป็นมงคลสูงสุดแล้วอาจจะคิดแต่ในแง่ภายนอกคืไมาคบคนพาลทันดานอยากนอกๆแต่นั้นนั่นก็ถูก ในการเกี่ยวกับเรื่องสังคมเพราะมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนฝูงญาติมิตร <c oughs> <c oughs> เกี่ยวข้องคสมาคมมากน้อยทันสอนในแง่หยึแต่อาจจะคิดในแง่เดียวเท่านั้นสําหรับตนเองใน ล, ลืมคิดถ้าาเราคิดในแง่เดียวเราก็ลืมคิดเรื่องตัวเรา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 คือกิดกันกีดกันในทางที่ดีของเราไมา่ทำความดีได้โดยสะดวกสบายหาเรื่องนั้นมาขัดข้องหาเรื่องนี้มายุแย่ให้ล้มเหลวไปตามมันจนได้เรื่อยมานี่เรียกว่าผ่านภายในคาว่า กานั้นทางพุทธศาสนาท่านหมายถึงความคิดที่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนทาเรียกว่าผานจะมีความรู้ความเฉลาดมากน้อยเพียงไรถ้ายังจะทำคนอื่นให้เดือดร้อนและตนเดือดร้อนอยู่แล้วความรู้นั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ที่ฉลาดความรู้ที่ยังผู้บุคคลปฏิบัต ให้คนอื่นในรับความสะดวกสบายมีความสุขตนเองก็มีความสุขนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ความฉลาดแท้ตามหลักธรรม่ทานนี้หมายถึงทานภ า, า, ายในตัวของเรานี้เป็นสิ่งสำคัญมากอันหนึ่งซึ่งอยู่กับตัวตลอดมาแล้วเราเคยคบค้าสมาคมกับทานตัวนี้มานานแสนนานจนกระทั่งบัดนี้ เราก็ยังมีความสนิทกับทานทังเราอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเรามีทานเราครบกับคนทานคือความคิดการกระ ท, ทําของเราที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดท่านเรียกว่าทานภายนในพยายามเลือกเฟ้นความคิดที่เห็นว่าไม่ดีทั้งส่วนหยาบส่วนกลาง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 ในขณะที่คิด ท, ที่ทาที่พูดออกไปทุกระยะชื่อว่าเป็นผู้ไม่คบคนทานชื่อว่าเป็นผู้เห็นภายต่อคนทานทั้งภายนอกภายในให้ครบบรัณฑิตนอกนราหมายถึงภายนอกด้วยภายในด้วยอย่างที่เราคบกับครูกัอบอาจารย์เพื่อฝูงที่มีความประพฤติดีงาม และให้อวัตตสั่งสอนนื่นอุบายต่างๆจะเป็นยอดเป็นมิตรเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ตลอดถึงครูถึงอาจารย์ที่ให้อุบายอันดีงามแกเราเรียกว่าบัณฑิตไม่ต้องหาความรู้ความฉลาดแบบตู้พระไกรปิฎดกมาก็ตามในเดชศาสตร์ความรู้ความฉลาดถึงขั้นปริญญาเอกมาก็ตามสาคัญอยู่ที่ความคิดความเห็นการประพฤติตัวเป็น สิ่ที่ชักปรุงให้คนอื่นได้รับความถลุกความสบายเป็นความถูกต้องนนามไปด้วยมีตนเป็นสําคัญเป็นผู้ให้อุบายมีทั้งเรียกว่าบัณฑิตทางพุทธศาสนาท่านหมายอย่างนี้เป็นบัณฑิตแล้วก็บัณฑิตภายในได้จะอุบายวิธีต่างๆที่จะเป็นไปเพื่อคุณงามความดีจากตนพับแต่พื้นให้คุณงามความดีขึ้นไปจนกรทั่งถึงสติปัญญาที่จะถอดถอนกิเลส ออกจาก จ, จิตใจมันเป็นลําดับําดับเป็นชั้นๆของสติ ป, ปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เปน็นชั้นๆไปจนมาถึ ง, ถงหหขั้นมหาบันดิตมหาบันฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นเอง في. เรียกว่ามาหาบันฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงมิมุตเรียกว่าจอมปราทที่นี่นะเลยขั้นามาหาบันฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราท แด้เก่ผู้ชเชียวลาดรอบตัวภายในจิตใจคือพระรหัสสิ้นชีวิตอาสวะดูปการทั้งปวงนี่เป็นมงคลอันสูงสุดทั้งสองอย่างนี้คือเสวนาจะบาลานังในครบคนทานทั้งคนผ่านภาย น, นอกทั้งคนผ่านภายในปณิตานนั่จะเสวนาในครบบัณฑิติักะปราบผู้ชเชียวลาดทั้งภาย น, นอกและภายใน พยายามปิดตัวให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งที่จะเป็นค่าสูตต่อจิตใจของตนนี่เรียกว่าบัญญินปากาให้พบผู้นี้ให้สั่งสมให้ส่งเสริมผู้นี้ให้มีกําลังมากขึ้นโดยลำดับตํลหดับเอตัมมังคารมุตตัมังท่านเรียกว่าเป็นมงกลอันสูงสุดอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่ ง, งท่านากล่าวไว้ว่าสมนานันจะดัดชนงเอตัมมังคารมุตตัมมังนี่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 นี่เป็นมงคลขั้นหนึ่งเป็นสมณะขั้นหนึ่งส่วนภายนอกเนี่ยพยายามทําให้แจ้งซึ่งมกักผลทั้งสี่นั้นคือสมณะทั้งสี่นั้นได้แก่พระโสดาสกิทาอาคาอรหัตตะผลขึ้นภ า, ายในจิตใจของตนนี่ชื่อว่าเป็นผู้ทําให้แจ้งซึ่ง มรคลทั้งสี่รวมเป็นแปดเป็นมงคลอันสูงสุดในมงคลชีณีที่ในมงคลลัทที่กัณนแสดงว่านี่มีแต่ธรรมซ้ำขันซ้ขันทั้งนั้นแต่นี้แยกดังที่ว่านี้ให้แยกแยกพิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในเกื่อเที่ยงกันแย่ทิ่เทวดาทั้งหลายเกิด มีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึงสิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยเพียงพากันมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจา้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้จัดสรูปขึ้นแล้วในโลกอเป็นผู้สามารถชี้แจงอักธรรมหรือปัญหาในแง่ต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้คลองใจทั้งหลายึงได้พากันมาทูลถามพระพุทธเจา้าตาม มงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้เบนนื้องต้นแต่เวลาท่านสูตรมลูลท่านยกเอาเพียงมาอเอาเสวนาจะบาลางังเลื่อยมาเลยทรรมะกาวถึงบกเทวดาทั้งหลายมาจากงน่นจากนี้มากมาย ก, า, ก, กายกองแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแตา่เนื่อเนืนะ้อคือมงคลสูตรสามสิบแปดประการนี้มาแสดง มงคลสามแปดประการ น, นี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษ SI ย์ทั้งหลายเลยตลอดมาจนกทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรเจริญมงคลสูต ร, รนี้สูต ร, รใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับสริตนิสัยของเราให้มีพื้าฐานฐานใจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ควบคนทาน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 แต่ทําไมท่านสามารถรู้เห็นเทวดาจนถึงกับแนะนําสั่งสอนเทวดาได้สาเร็จมากผลนิพพานจํานวนเป็นล้านล้านไม่ใช่ธรรมด า, าเราเีื่อนกล่าวไว้ในสูตรต่างๆาเทวดามาฟังเทศพระพูติเจ้าได้สําเร็จมากผลนิพพานเป็นโกรธคําว่าโกรธจะหมายถึงเท่าไรนะจ๊ะเป็นแสนแสนเป็นโกรธ แไม่เพียงแต่เทศวันหนึ่งวันเดียวนั้นแค่จนงกระทั่งโพลปริปรนิพานทางในพุทธกิจท่านแสดงไว้ว่าอัตราเตเทวปัญหากล ง, งตั้งแต่หกทุ่มล่วงไปแล้วแก้ปัญหาแนะนำสั่งสอนเทวดาชั้นต่างๆที่เข้ามาทูลถามมหากับพทธเจ้านี่ท่านถือบ เทวดาเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายสอนเทวดาเหมือนกับสอนมนุษย์ทั้งหลายนี่เองท่านถือเป็นธรรมดาธรรมาดาเช่นเ ด, ดียวกับเรามองเห็นคนทั่วๆไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นพวกเทบุตรเทวดาชั้นต่างๆประจักษ์ด้วยขยานของพระองค์คือตาทิพย์เช่นเดียวกับเรามองเห็นสิ่งต่างๆนึกมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยตาเนื้อของเราแต่เมื่อเราไม่มีตาทิพย์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วจึงกลายเป็นปัญหา โลกแปกคูกวันนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างนั้นด้วยพระจักรสุญานของพระองค์กับเราที่มาด้นดาวหรือคาดเสนไดลบความจริงนั้นด้วยความมืดบอดของเราจรงเป็นที่น่าสลดสังเวชอย่างยิ่งทีเดียวเหยนระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด ร, ระหว่างคนโง่คนฉลาดมันผิดกันอย่างนี้ทั้งๆที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็ตาม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 ม้ที่สุดจะสั่งสอนตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วเราไปเทียบกับพระพุทธเจ้าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าภาระหนักมากขนาดไหนยังสามารถทำนำภาระนั้นไปได้ตลอดทั่วถึงจงกระทั่งวันตรีผ่านไม่มีภาระใดที่จะหนักห้ากึ่งกว่าพุทธกิจพุทธภาระของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็เป็นพุทธวิสัยนี่ปเป็นไปด้วยอานาจ นิสัยของของศาสตราทำมาได้ตลอดทั่วถึงแต่เราพวกเราไม่ถึงอย่างนั้นแม้แต่จะมาสั่งสอนตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ก็ยังล้มลุกคุกครานให้กิเลสปัญหาเหยียบย่ําทําลายขี่รถเยี่ยรถวันยังขำคืนยังรุ่งบางทีก็เดินจังกลมก็ขี่รถบนหมอยม้วนทางจังกลมนั่งพอนามก็ขี่รถเยี่ยรถหยุ ด, ดสถานที่นั่งพอ น, นา นอนทอน้ำก็ขี่รดเยี่ยรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นเช่อมเป็นฐานของกิเลสตันหาทุกเรียบทด้วยความไม่มีสติพิจารณาดูทีมันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารณาถ้าหากว่าเราจะนํามาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นกติเครื่องทําสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสําคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทําไมสามารถ สั่งสอนพระองค์ได้แล้วและเป็นครูของสัตว์โลกได้ถึงสามโลกธาตุไปโดยตลอดทั่วถึงแต่เราจะสามารถสั่งสอนตัวของเราและแก้กิเลสตัญหาอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพียงดวงเดียวเท่านั้นทําไมจะไม่ได้แล้วทำไมจะปล่อยตัวให้กิเลสตัญหาอาสวะทั้งหลายเนี่ยขี่ลถเยี่ยวรถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดือนิน น, นั่งนอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงเท่าแก่ชราตายไปกับ ขี้กับเยี่ยวของกิเลสถ้าเท้าเต็มตูวมีอย่างเหรอมันจซกระปวกขนาดไหนต้องกิเลสอาสวะแล้วมันทำไมมันที่รถเยี่ยรถดเราตลอดเวลาเราไม่มีความข ย, ย, ยันขันแข็งต่อมันบ้างเหรอเพียงเราคนเดียวเราก็ยังเอาตัวไปไม่รอดแล้วเราจะทำยังไงวันนี้ก็ยังเอาตัวไม่รอดที่ผ่านมาก็ยังตัวไม่รอด เขายังนอนให้กิเลสตัญหาอาสวะมันขี่รถเยาะรถนั่งฮะมันขี่รถเยาะรถตลอดมาในยาบททั้งสีนี่นจะเป็นช่วมเป็นฐานมันอยู่เหลือต่อไปนี้่วนพิจารณาตัวเองนี่เป็นคติอันสำคัญที่เราจะ น, านาํามาใช้สหรับตัวเราเองกิเลสมันมีอำนาจวาชนาขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านทำไมปราบได้สาวกอรหัตละหันหรือพุทธบริจัทท์สงายตั้งแต่ข้ามพุทธกาลท่านก็เป็นคนคนหนึ่งท่านทําไมปราบมันได้ เอามันมาเป็นส่วมเป็นฐานได้ที่ลดเยี่ยวลดมันได้ไม่มีแต่มันขี้รดเยี่ยวลดเราถ่ายเดียวทําไมเราจะทําไม่ได้คลิปมันถ้ามันเป็นส่วมเป็นฐานเราสักทีไม่ดีเหรือพยายามน <laughs> ีแต่พวกส้วมพวกห้องน้าห้องถังมันมองไปไหนมีทองน้ำห้องกังห้องส่วมห้องกิเลสมันก็น่ากระโดดสมเร่นเหมือนกันนะเอาฟิตตัวให้ดี แมันอยู่ตรงไหนกิเลสนี่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยไม่อยู่ที่ตรงไหนแต่เรามักจะเข้าใจว่ากิเลสมันเป็นเพื่อนสนิทเราเป็นเราทั้งหมดเนี่ยคือมันแก้ออกทั้งอว่ากิเลสมันเป็นเราถ้าถือกิเลสเจงกิเลสถือกิเลสเป็นไทยแล้วมันก็มีทางแก้กันได้าาหาอุบายพิจารณาแก้ไขตัวเองเสียงอันนี่ขึ้นมาแล้วเท่มากสะดวกแล้วนี่ ถ้าพูดเรื่องการแก้ก็มันมีอะไรที่จะแก้แกยากที่ผมแก้กี่เลยกี่เลยคืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นมนุษย์เรามีหัวใจสัตว์มีหัวใจทำไมจะไม่อยากได้ทำไมจะไม่อยากโลภนี่เมืองผาของความโลภมันมีที่ไหน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 มันได้มีทางที่จะแผ่กระจายไปได้มากม า, กายกลกองนกค่อยๆอับเขาหรือค่อยๆยุบยอดตายลงไปโดยลำดับกับจนกระทั่งตายหมดโดยสิ้นเชิงนาภายในใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรนี้ไม่มีอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าทาดังกล่าวมาแล้วนี้ซึ่งเหมาะสมที่สุดกับการฆ่าพิเรนทั้งสามประเทอันใดตัวนี้ทั้หมดไปจากใจ คำว่าสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งปรากฏขึ้นมาอย่างแจ้งชัดตั้จักกับใจเป็นสันธิธโกรู้เองเห็นเองในวงผู้ปฏิบัติโดยจะเคาะปัจจตังเลริตับโบวินยูหิผู้ที่รู้ทั้งหลายจะไม่รู้ที่อื่นจะรู้ขึ้นกับตัวเองนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมะท่านวางไว้เป็นของกลาง นีเป็นจุดที่จะตัดปัญหากับที่เียกอาสวะทัง้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตัง ม, มาเลยอะพอสมควรไ้รับผานอบรมจากอาจากักธรรมเลยศึกษาเราเ ย, ยนมาพอสมควรเลยฟังโอวาจากครูจากอาตาการพอสมควรปัญหาอันใดก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญา ทันกับปณมยาของกิเลสซึ่งร้อยเละทันเดี่ยวร้อยสันทันคมที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลําดับลำหนึ่งกิเลสขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายค่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็ยนใจนี้เย็นยิ่งกว่าสึงทั้งหลายเยน็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงามสุขไม่มีเต๋วยวมีเน่า สุขอย่างสม่ำเสมอสุขสุดยอดยิ่งเป็นสุขอากาลิโกไม่มีสลายเปลี่ยนแปลงไปไหนเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมนี่แหละท่านเรียกว่าความสุขของปราชญพระพุทธเจ้าท่านครทรงค้นพบความสุขประเภทนี้สาวกอรหัตอาหารทั้งหลายท่านก็ทร ง, งค้นท่านก็ค้นพบความสุขประเภทนี้ท่านจึงต่อยวางความสุขโดยประการทั้งปวงที่เคยเกี่ยวข้องกันมา ไม่เพียงแต่สุขทกก็ปล่อยโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันเป็นผู้หมดมองหมดใดหมดป่าช้ามันต้องมาวกเยน็นให้กายเกิดกันอยู่ไม่หยุดในท้อยในกำมนดต่างๆพบน้อยพบใหญ่ที่เรียกว่าวัฏฏ์วนไปวนมาตัดกรงจากวัฏฏวนนี้ออกจากใจเสียได้เป็นความสุขเป็นความสบายอันร้นค้นนี่คือความสุขของมนุษย์แท้สนับภูมิของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาด เจยความสุขนี้แล้วอันใดในดก็ปล่อยไปหมดนี่ในทำบทที่กล่าวว่าสมานานันจะรัตฉนังก็เข้าในบิดดวมนี้แล้วนิ่บาลนัสจิกิริยาเอตัมมังขามุตตังก็เช่นเดียวกันใทําพันิพานให้แจ้งคือเวลานี้พันิพานถูกปิดบังด้วยกิเลสประเภทดังกล่าวมาเหล่านี้จนมืดมิดทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสงาา่าผ่าเผยขึ้นภารจิตใจแมน้นิดหนึ่งเลย ถ้าทิศน่าจะถูกเมฆปิดบังแสงสว่างส่งมาไม่เต็มที่เต็มฐานได้ก็ตามแต่เป็นบางการบางเวลาย่อมมีการเปิดเผยตัวออไมอย่างชัดเจนที่เรียกท้องฟ้าอากาศปว่าตรงเห็ใจั่นจิต ใ, ใจของเราที่ถูกที่เดียดคุ่มห่อปิดบังอยู่นี้ไม่มีวันปว่าตรงได้เลย เมื่อไิดพานนั้นนั่นแหะทำให้ทำพระนิพานได้แจ้งพระนิพนพานกาหมายถึงจิตนั่นเองไม่ได้หมายถึงอะไรที่พระนิพพานยังแจ้งมาได้กเพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายคือพิเดชนิสเกี่ยวกับเหมือนกวามเหน็บปิดบังพระอาทิตย์ําละลงด้วยความเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกแล้วเรื่องพระนิพพานซึ่งเป็นตัวจิตล้วนๆนั้นจะค่อยแสดงตัวออกมาโดยลําดับลําดับจนกระทั่ง ทำปฏิภาณให้แจ้งอย่างพระจักมีก็เอตัมมังคามุตตัมมังเป็นมงคณอันสูงสุดไม่มีมงคลใดในโลกนี้จะสูงสุดยิ่งกว่าการพบสมณะสุดท้ายคือพระรหัสและการทำปนิภาณให้แจ้งคือถึงความเมอสุแห่งใจนี่เป็นมงคลอันสูงสุด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 แก้ไขอันนี้เมื่อธรรมาชาตินี้จริงขึ้นมาล้น้วนแล้วธรรมะของบุริเจ้าแม่ต่างเป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่ำว่าไงเพราะนั้นเป็นคำสอนบุริเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในคารบหลักใหญ่แล้วปีนย่อคารบไปหมดพระพุทธรูปก็าตามจะเป็นอะไรก็าตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้ว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 มี่ธรรมพุทธเจ้าเราอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมเป็นตายละมอบกับธรรมปฏิบัติเลยรู้ได้เห็นมากน้อยเพราะธรรมพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะแยกยดย่ำทำลายได้อย่างไ ร, ท, รไงท่านว่าท่านไม่ยอมนอนยกตัวอย่างที่ท่านมาพะระวัชรวันเป็นต้นในห้องนั้นมีหนังสือท่านไม่ยอมให้ขนหนังสือขึ้นสูดผมให้หน็อดเนี่ยงั้นเลยเนี่ยลงขรรค์ถึงใจทุกอย่าง พอทําถึงไใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเดียวกับสุดยอดกราพระพุทธเจ้ากาพระพุทธลูป ก, ก็สนิทไม่มีใครที่จะกาบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านสันั้นในสมัยปัจจุบันนี้เห็นไปจากดวกตาความเคารพในอัตนธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปท่ากระจายยนาะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้น พอท่านได้มาโอ้โหนี่พระกระจัยชนะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ท่านรีบเทียนออกแล้วเอายะพระปัจจัยนะนั้นเน็บไว้บนที่นอนท่านท่างกราบนี่องค์สาวกรูปของท่านนี่มี่ก็หมายแค่ไหนพระปัจจัยนะจะมาทําเล่นๆนี้ได้หรือฟัง<ำ>นี่เมื่อถึงใจแล้วถึงทุกอย่างเคารพทุกอย่างบรรดาที่สิ่งที่เป็น ควรเป็นของเคารพท่านเคารพจริงๆนั่นท่านไม่ได้เล่นเหมือนปุถุชนคนหนาเหยียบนุนเหยียบนี่เหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายพ่อไม่รู้ก็ลูกคำคำนูป่าไปในลักษณะของคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนตาดีแล้วไม่เหยียบอันไหนจะเป็นกวา o เป็นหนามไม่ยอมเหยียบถึงได้ที่จะเป็นโทษเป็นภัยขาดความเคารพท่านไม่ยอมทำนักตาก่านเป็นอย่างนั้นอ้า <c> ว <oughs> เอเ อ, อแล้วคุณ โอ้อะไรหยุเอวันอืออะไรกันดี